ภาคป่านี้เา่าจะให้เดินแต่ว่าจะให้ฝึกอีกอย่างคือนั่งฟังทำแบบรู้ลมเนี่ยน่าจะได้อยู่ปรับความรู้ให้มันเหมือนคล้ายๆกับการเดินคือจริงๆในการรู้ลมหายใจเนี่ยฝึกสติด้วยอาณาปานสติคือรู้ลมหายใจยเราจะต้อง ึให้จิตรู้สามารถอยู่กับลมได้ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวในอิริยาบถหลักคือยืนเดินนั่งนอนยืนนี่น่าจะรู้แล้วเดินก็พอจะรู้แล้วนั่งก็พอจะรู้แล้วนอนก็คิดว่าบางคนอาจจะรู้ลมไปจนหลับก็ได้ให้รู้ลมไปจนหลับนี่ดีนะ แต่ว่าในอิริยาบถอื่นๆที่เป็นอิริยาบถย่อยเราก็สามารถที่จะรู้ลมได้แต่มันต้องตั้งใจขึ้นมาก่อนต้องยกใจขึ้นมาก่อนถ้าไม่ยกใจมันก็จะรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่เช่นเราจะฉันน้ำเนี่ยเราจะดื่มน้ำเราจะดื่มยังไงได้้ก็รู้ลมได้ด้วยก็ต้องอาศัยการตั้งใจใช่ไหจิตแรกคือการตั้งใจเป็นปฐมจิต ว่าเราจะรู้ลมได้ก็รู้กิริยาอ่านี่เรารู้ลมแล้วนะใช่ไเปิ่อต้องเผืดหน้ากากนี่รู้ลมแล้วเนะี่ยจับนี่ก็รู้ลมอยู่แล้วมันรู้อย่างนี้ได้ด้วยรู้กิริยาได้ด้วยนี่รู้ลมได้ด้วย แต่การรู้ลมมันอาจจะไม่รู้ไปต่อเนื่องบางกิริยาที่ที่เรากระทาอย่างอื่นเป็นกิริยาที่เบกเบงแรงตัวรู้มันก็จะอาจจะไปรู้ในกิริยานั้นลมมันก็จะขาดไปแต่เพราะว่ามันหยุดกิริยาอื่นใช่ไหมกิริยาอื่นหยุดมาแล้วมันก็จะกลับมาที่ลมได้อีกเพราะความตั้งใจที่จะรู้ลมเป็นกิริยาหลักเข้าใจไหมเนี่ยพอพอเราจับปั๊บตอนจับมันยังรู้ได้ ยกมันก็รู้ได้แต่ถ้าน้ำหนักมันเยอะๆหน่อยกิริยาที่รู้ลมมันอาจจะหายไปมันจะไปอยู่ที่กิริยายกจิบน้ําน้ําใส่ปากมันมีมันมีการรับรู้เยอะมากมันอาจจะการรู้ลมมันจะขาดไปแต่เมื่อกลืนน้าวางแก้วอะไเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีกิริยาอื่นใดแล้วมันก็จะรู้ลมถ้าเราตั้งใจถ้ามีการตั้งใจก่อนนะตั้งใจนี่สาคัญมากแะ มันเป็นปฐมมจิตของทุกๆเรื่องถ้าเราไม่อาศัยวิธีนี้เราจะให้รู้ลมก้าวหน้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะช้าหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยวิธีการรู้ลมรู้กิริยาช่วย แล้วอยู่บ้านนะนิวรนเอกไปกินหมดใช่ไหมไหนลูกไหนหลานไหนงานไหนเพื่อนไหนคู่ครองไหนคนโน้นไหนคนนี่ไหนลูกน้องไหนหนี้ไหนกําไรไหนขาดทุนเรื่องมันเยอะทีบานเรื่องมันตรงนี้เป็นนิวรนแล้วนะเพราะก็ข้ามมานะนิวรนข้ามาก็ไม่ได้เข้ามมาเฉย ก็าเข้ามาทำไมสังเกตไหมว่าเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยพอเสร็จปั๊บวันหนึ่งมันเหมือนกับไปโอ้ดีนะพอกลับไปถึงหายไปเดือนกลับมาใหม่โอ้เหมือนมันเริ่มต้นใหม่อีกเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่านิวรณ์ที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอทำนบกั้นน้ำ พอมายกและน้ามันไหลคลื่นอย่างนั้นเลื่อนเลื่อนอย่างนั้นไม่ใช่แต่นิวนมันเป็นมากกว่านั้นมันเกิดแล้วมันไปกินมันไปทำลายความตั้งมั่นของสติความตั้งมั่นของใจที่เราเคยฝึกฝนมามันมั น, ม, นมันยื้อแย่งกันเหมือนกันกบแย่งชิงพื้นที่กันระหว่างนิวกับสติสมาธิมันแย่งพื้นที่กันถ้าพอเราออกไปปั๊บเราเราจะมาใช้คำพูดว่า ไม่รู้จะทํำยังไงนี่คือคําพูดจนแต้มแล้วเราก็ตายไปเกิดมาชาติใหม่เราก็ต้องใช้คำพูดที่อีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาสติสมาธิได้ปัญญาเพื่อข้ามพ้นแดนรงสารนี้แต่มันไม่รู้จะทํำยังไง ก็ต้องยอมมันไปก่อนแล้วค่อยไปอันใหม่แต่การที่ไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละมันกินความตั้งมั่นของสติกินความตั้งมั่นของจิตพื้นที่ของสติพื้นที่ของสมาธิมันกินหมดแล้วเราก็มาใหม่ฝึกใหม่มาใหม่ฝึกใหม่ไม้พอดีกับว่าเรารีบร้อนใช่ไหมเราเคยได้เคยเคยเคยมีสภาวะนู้ น, นนี่นะั่นเรารีบร้อนนะ นังปัเราก็ตึ่นเอาไว้ได้ตกลงกว่าเราไม่ได้ฝึกหรอกเราบ่มตัณหา <c oughs> เราบ่มตัณหาพอมาปฏิบัติก็เข้าทางก็เลยทีนี้เข้าทางนิวรณ์เลยเพราะฉะนั้นพอเรามาแนวแน่กับการภาวนาเราก็มาเริ่มต้นที่ลมหายใจใหม่ทุกครั้งแต่ละครั้งเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกอะ่ะใช่ไหมไม่รู้จะทํำยังไง อยู่บ้านมันก็ต้องเจอหน้าได้ยินเสียงเออมันต้องนั่นนี่นู่นเออไม่รู้จะทำยังไงคำพูดนี้เสร็จแล้วเราก็ตายไป ก, ก็เกิดมาอีกชาติถ้าโชคดีเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่มาเจอกันอีกพุทธศาสนายังอยู่อานายังมีการสอนกันอยู่ถ้าการปฏิบัติกรรมฐานนะที่มันตรงรัดสั้นมุ่งตรงนเนี่ยไม่มีหรอกที่จะสู้ที่จะเหมือนอานานะอาณานี่ ครบหมดแล้วในหมวดของสติปัฏฐานสี่ทีนี้พอเราข้ามาใหม่เออพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็บอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงไอ้คำว่าไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยเจอมากี่ชาติแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องตายไปด้วยคําๆนี้เพราะฉะนั้นเรายอมของไม่ได้ชาตินี้เจอแล้วเราจะต้องรู้ลม และอยู่กับกิริยาให้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่กับกิริยาอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ลมเป็นหลักให้ได้ก่อนเพื่อการต่อ ย, ยอดของการปฏิบัติจะล้างถ้วยล้างชามหุงข้าวทากับข้าวเซนเช็คเซนเช็คได้ไหมได้ไหมเซนเช็ค จ่ายนี่เก็บบินให้เก็บบินกับจ่ายนี่อันไหนอยู่กับลมให้กว่าฮะเก็บบินให้กว่าฮะนี่จากประสบการณ์จริงจ่ายนี่นี่อยู่กับลมยากหน่อยเพราะว่าเครื่องปรุงมันเยอะกว่านะแต่ถ้าเก็บบินนี่เออเก็บบินจ่ายนี่ เนี่ยกิริยาพวกนี้ในชีวิตประจําวันเราจะต้องเก็บตกขึ้นมาเพราะว่าชีวิตเราจริงๆอ่ะเราดูเหมือนว่าเรื่องมันเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะมันอย่างที่เรารู้สึกหรอกมันก็ไอ้ซ้ำๆๆๆๆๆๆๆมีรอบเดิมนั่นแหละต้องตื่นขึ้นมาจากนอนนะดูดูสิมันจะมีถ้าอะไรที่มันจะแปลกใหม่แปลกใหม่ไปกว่าในในวันเดิมๆอ่ะมันเป็นเรื่องเราหนึ่งต้องเป็นอุบัติเหตุสือที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด สองเป็นเรื่องที่เราแลนไว้ล่วงหน้าเป็นเรื่องที่เราวางไว้แล้วล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรเป็นเรื่องที่เราวางไว้แล้วกับเรื่องที่มันเกิดโดยเราไม่ได้วางนอกนั้นนะซ้ำซํำๆๆๆๆทีนี้ถเราตัดเราไม่ปรุงให้มันกระจายออกไปนะเพื่อการรู้ที่เท่าทันดูให้เป็นสุดที่กิริยาอ่า ดูไว้ไปสุดที่กิริยากิริยามันมีอะไรมัง่งกิริยาใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนนี่กิริยาใหญ่มีสีกิริยาไอ้กิริยาย่อยมีอะไรมัง่งอ่ะเออดูจากแขนเอามือเนี่ยกำแบถูกไหมจับปล่อยคว่า หายใช่ป่ะลูกที่ยาวมันคืออะไระจีบเฮ้ <c oughs> ยิบใช่ป่ะเออจีบยกมันมีซ้ำๆๆๆอยู่นั่นแหละอันนี้ทุบต่อยอคูเหยียดใช่ไหม เคงเนี่ยกิริยาย่อยๆมันแควงกางหมุนอืมแล้วก็ท่ายขวาแค่นั้นน่ะเท้าก็เหมือนกันคูดีดอืมเตะทีบเคลเท้าอ่ะนะมีแค่นั้นน่ะ คือถ้าไปอยู่ที่กิริยาแล้วเนี่ยอย่างจับปากกาขึ้นมาเนี่ยก็คือจับใช่ไหมส่วนเขียนนั่นเขียนนั่นมันมันมันเป็นกิริยาที่จะต้องใช้คู่กับปากกาแล้วแต่จับเนี่ยเอาไปสุดแค่กิริยาที่เคลื่อนไหวของกายนะจับปล่อยจับปล่อยจับแคว้งงี้เคว้ง คือ ท, ท, ที่ที่เป็นกายอย่างเดียวแล้วก็เป็นกิริยาย่อยเนี่ยมันก็มีไม่เยอะแ ต, แต่ที่สําคัญคือว่ามันซ้ำซ้ำซ้ำซำวันหนึ่งเราจับไม่รู้ตั้งกี่ครั้งปล่อยก็ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้ลมกิริยาใดที่เราสามารถรู้อยู่ก็รู้ลมได้รู้กิริยาได้เราก็รู้ลมไปเลยยามใดที่ รู้กิริยาทั้งมันหนักเกินไปเราไม่สามารถเอารู้มารู้ก็บอย่ลมได้ก็รู้กิริยานั่นไปพอสุดกิริยานั้นไม่มีกิริยาอะไรให้รู้ก็รู้ลมรู้ลมอีนั่งฟังอยู่นี่ก็รู้ล ม, มเวลาเรานั่งฟังบางทีไอาการฟังของเราไม่แรงนะักรู้ในการฟังไม่แรงนะักเราก็อาตามาจ้องใช่ปะ่ะตาดูหูฟังใจตั้ง การรู้มันเลยพุ่งมาที่การฟังอย่างเนี้ยเราเอ า, เาตาจ้องจ้องมาที่พระหูก็ตั้งตาจ้องดูหูจ้องฟังใจตั้งใจใจตั้งพร้อมรู้แล้วก็ฟังเสียงที่ออกมาแล้วก็จ้องรู้ที่เสียงนั้นจ้องรู้ที่เสียงนั้นจ้องรู้ที่เสียงนั้นการรู้ลมก็หายไปเพราะรู้รู้ที่มาสู่การฟังมันแรงถูกว่ารู้มันแรงทีนี้ถ้าเรากลับไปรู้ที่ลมตั้งใจ รู้ที่ลมและมารู้ในการฟังด้วยวังด้วยรู้ลมด้วยลองดูที่มันได้ไหมมัม่นก็ได้มันการตั้งใจสำคัญตั้งใจสำคัญอันนี้มันช่วยช่วยอะไรช่วยว่าเมื่อไม่มีกิริยาอันอื่นใดยามเราอยู่เฉยๆแม้ลืมตาอยู่เราจะหารู้ลมทันที ทำบ่อยๆจนมันเกิดเป็นอัตโนมัติอืมเป็นอัตโนมัติเลยเพอว่างปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่ลมหายใจเองเข้าไปสู่ลมหายใจเองทีนี้เวลาเรามานั่งเวลาเรามานั่งนั่งภาวนาแล้วทีนี้นั่งรู้ลมหายใจแล้วใช่ไหมเกิดเป็นสภาวะอะไรขึ้นมาในขณะที่เรานั่งต่อไปนี้พอเราไปรู้ลมในกิริยาชีวิตประจําวันมันก็สามารถ เข้าไปถึงสภาวะที่เรานั่งแล้วก็รู้ได้สภาวะที่เราเคยได้ตอนเรานั่งเราสามารถสัมผัสกับสภาวะเหล่านั้นรู้สภาวะเหล่านั้นได้ในขณะที่เรารู้กิริยาก็เหมือนแต่ก่อนเรานั่งแล้วก็รู้รู้ลมแล้วเราก็มีสรู้จิตละเอียดอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้แล้วเราไปเดินเราไปเดินเราเคยเจอสภาวะที่เราเคยนั่งแล้วใช่ไมเวลาเราเดินรู้ลม ว่เดินจะเดินจ ต, ตุเดินรู้ลมเราก็เคยเจอสภาวะบางสภาวะที่เราเคยเจอตอนเรานั่งมันมาเกิดตอนเราเดินทีนี้ถ้าเรามีความตั้งใจและรู้ลมในกิริยาอื่นๆในกิริยาย่อยในกิริยาหลักและกิริยาย่อยอื่นๆในชีวิตปะจจาบันมันก็สามารถที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสภาวะที่เราเคยได้ตอนเรานั่งได้ด้วยนี้ลมมันสามารถเจอกับลมที่ละเอียดได้เออ แต่มันจะไม่บ่อยนักเพราะรู้มันมันมันทำงานมากแต่ว่ามันสามารถเจอกับลมที่ละเอียดได้มันสามารถที่จะเกิดเป็นความรู้อีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการรู้ลมหายใจซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเราในการบันทอนไม่ให้นิวรนเข้ามาก่อกลุ่มในชีวิตระหว่างวันถ้าไม่ทำอย่างนี้ชีวิตในระหว่างวันของเรานิวรนมันกินหมด กินหมดจริงๆเนละเพราะเขาเป็นเครื่องกั้นที่ทํางานโดยธรรมชาติธรรมชาติของกิเลส ท, ที่เขาอบรมเรามาโดยเจ้าพราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการรู้ลมแล้วก็รู้กิริยาเป็นตัวช่วยในระหว่างวันให้ได้เพื่อต่อ ย, ยอดในการปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้นการรู้ลมและรู้กิจยาในระหว่างวันเนี่ยมันจะส่งเสริมการการนั่งภาวนาแล้วมันจะทําให้สติของเราเนี่ยสติที่เราฝึกฝนนี้ช่วยให้เรามองมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงก็เรียกว่าทําให้เรามองเห็นแล้วก็คิดเป็นแล้วก็ทําได้ด้วยเออ มองเห็นเนี่ยบางอย่างบางอย่างที่เราเรามองมันเหมือนกับบอกว่าเรารู้แล้วรู้เลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่สติที่มันก็ต่อเ น, นื่องมาจากการที่เรารู้ลมบ่อยๆบ่อยๆรู้ลมในกิจยาในชีวิตในระหว่างวันเนี่ยมันจะมีความเป็นกลางมากมากกว่าการที่เราไม่ได้รู้ลมเลยไอความเป็นกลางเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นอย่างไม่มีอคติ จังหวะที่มันเป็นกลางมันจะมองออกไป ing, โดยไม่มีอากาติจังหวะที่เขาเป็นกลางมองออกไปอย่างไม่มีอากาตินี้จะทำให้เขาเห็นเห็นจริงกว่ากว่าการมองอย่างอาการไอมองอย่างอาการเช่นมองด้วยความรู้สึกไม่ชอบมองด้วยความรู้สึกชอบมองด้วยความรู้สึกไม่ดีมองด้วยความรู้สึกดีมองด้วยความรู้สึก อ, อ, อึดอัดหุดหิดรังเกียจจิงชังพวกนี้เป็นอากาหมดเลย แต่ถ้าเรารู้ลมอยู่เนี่ยจิตที่รู้ลมอยู่เนี่ยรู้ลมเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะตอนที่มันรู้ลมเนี่ยมันตัวที่มันรู้ลมเนี่ยมันไม่มีตัณหามาณทิฏฐิเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีตัณหามาณทิฏฐิเขารู้ตรงกั็ไปในที่ลมเนี่ยตรงนั้นเป็นความบริสุทธิ์ของรู้ความบริสุทธิ์ของรู้เขาก็อยู่กับความเป็นกลางเพราะเขาอยู่กับความเป็นกลางถ้าไปดูกิริยาที่เกิดขึ้น มันก็จะดูกิริยานั้นตามความเป็นจริงเพราะก็ดูตามความเป็นจริงดูด้วยจิตที่เป็นกลางจะทําให้เขามองเห็นมองเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏมากกว่าการดูด้วยความอคติการดูด้วยใจที่ถูกปรุงแต่งจากอารมณ์ต่างๆเข้าใจไหมเพราะนั้นการรู้ลมในกิริยาต่างๆขณะที่เกิดขึ้นเลยเนีย่รู้ลมไปด้วยเนี่ยก็จะต่อยอดตรงนี้ จะทำให้เราเกิดการมองเห็นมองเห็นที่ก็เรียกว่าเห็นในในในแห้มุมที่มีความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากมันมองเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการความคิดที่เกิดเกิดคิดเป็นน่ะพูดได้ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคิดถูกต้องหรือคิดผิดพลาดนะแต่อันนี้เรียกว่าคิดเป็นคิดเป็นคือว่า มันเป็นระบบของความคิดจากการมองเห็นเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะคิดเป็นคิดในในลักษณะที่คิดเป็นคือว่าคิดแล้วเนี่ยมันไม่นำอกุศลไม่นำบาปมาสู่ใจการคิดเป็นเนี่ยมันไม่นำบาปไม่นำอกุศลมาสู่ใจและมันสามารถให้ความคิดนั้นมันสามารถแย ก, กแยะออกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกมันเกิดเป็นเป็นสามารถปรทานขึ้นมาได้เลยอะไรที่มันมันไม่ถูกต้อง มันสามารถที่จะเห็นแล้วก็คิดเป็นในการที่จะหยุดกั้นความไม่ถูกต้องอันนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยู่ที่มันเกิดแล้วเนี่ยมันป้องกันไม่ให้มันเกิดได้แล้วมันก็จะเห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องช่องทางที่มันดีช่องทางที่มันเป็นประโยชน์ไม่ก่อโทษอันใดเลยเนี่ยมันจะคิดเป็นแล้วก็จะเห็นช่องอันนั้นแล้วมันทาได้ ทำอย่างนั้นได้คําว่าทําได้นี่ว่ากั้นอกุศลได้เจริญอกุศลได้เห็นแล้วเนี่ยแต่ก่อนพอเราเห็นแล้วนะเราก็จะสิ่งใดที่เราเห็นแล้วมันก่ออกุศลน่ะทีนี่พอเห็นแล้วมันคิดเป็นอย่างนี้แล้วตัวฮีดีมันก็เกิดได้ง่ายมันก็จะทําให้เราทําได้คือทําการกั้นอกุศลนั้นได้อะไรอะไรอกุศลทั้งหลายแหล่ที่มันเคยเกิดมาแบบที่ยิบ จากเหตุและปัจจัยตัวเดิมจากการที่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราโกรธได้ยินอย่างนี้แล้วเกลียดอันอย่างนั้นแล้วเราไม่ชอบพอพอรู้ที่มันอยู่กับลมหายใจเนี่ยที่เรียกว่ารู้อย่างบริสุทธิ์นี่ไม่แอกตินี่นะเป็นกลางนี่นะมันจะไปเห็นหรือไปได้ยินเนี่ยมันจะทําให้มองเห็นไอ้ความความความจริงที่ลึก ลึกไปกว่าที่เราเคยเกลียดเราเคยรักมันจะเห็นได้ถ้าเห็นได้แล้วทีนี้ความคิดมันก็จะเป็นเป็นความถูกต้องเน้นขึ้นมาเรียกว่าคิดเป็นแล้วมันก็ทําการตรงนั้นน่ะมันทําการของมันได้เลยพอมองมองเห็นพอมันคิดเป็นเนี่ยมันทําได้เลยเพราะฉะนั้นในการละอกุศลแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราละยา ก, กเกินนันี่ทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ ไอ้นี่ก็ทำใจไม่ได้ไอ้นู้นก็ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราให้ติดรู้อยู่กับลมหายใจดูกับลมหายใจอย่างที่ว่านี้ต่อเนื่องในชีวิตในระหว่างวันของเรารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะทำได้เขาจะทำได้เองเข้าใจปะเขาจะทำได้เองเพรนตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญ เพราะมาเช่นนั้นเราจะรักษาศีลไม่ได้หรอกนะมันยากว่ากับการที่จะรักษาศีลจริงๆในในาศาสนาของเราที่พระพุทธเจ้าศัตรูเส้นทางของพระนิพพานคือศีลสมาธิปัญญาแน่นอนที่สุดวิธีการปฏิบัติอะไรต่างๆทั้งหมดนี่จะต้องสงเคราะห์เข้าในศีลสมาธิและปัญญา ตัวศีลจะอยู่ๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่รับจากพระแล้วมันจะเป็นศีลขึ้นมาไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกศีลที่แท้ศีลที่แท้จริงศีลที่มันบริสุทธิ์จริงๆศีลที่มันเกิดขึ้นจากการควบคุมด้วยสติเนี่ยมรตินี่แหละที่พูดไปนั่นแหละคือศีลี่สุดิ์คือศีลที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันเกิดความสำรวมระวังสังวรระวัง โดยโดยอัตโดมัติจากการที่จิตอยู่กับลมหายสติรู้อยู่กับลมหายใจอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันเกิดความสังวรระวังเพราะว่าไ้สติตัวนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นสติสัพพัญญา น, นี่ถ้าพอก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เกิดฮิริโอตาปาขึ้นมาโดยปริยายเป็นผลของมัน สติตัวที่แท้จริงสติสัมปญญาที่แท้จริงเวลาเขาเกิดเขาไม่ได้เกิดเฉยๆเขาเกิดร่วมกับฮิริโอตปาเขาจะทําทงานในลักษณะการสํารวมในการระมัดระวังนี่ถ้าเขาต้องแข็งแรงพอนะจึงจะเกิดการสํารวมและกรระมัดระวังถ้าแข็งแรงไม่พอมันก็ทําได้ก็เหมือนกับเอาฝ่ามือบังฝนนะเวลาฝนตกหนาฝ่ามือบังฝนมันก็แห้งแท่หน้าผากถูกปะ แถ้า่ามือบางฝนมันไม่เหมือนร่มใช่ไหมถ้าร่มแล้วก็แห้งได้ทั้งตัวกันฝนได้ทั้งตัวถูกไหมเหมือนกันเลยถ้าเป็นสติที่มันฝึกฝนอบรมพัฒนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนก็มีกําลังมากเนี่ยมันก็จะป้องกันได้ป้องกันอังคุศนได้เหมือนกับฝนตกใส่เราไม่เปียกถ้าเถ้าเรามีร่มที่แข็งแรงดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้การการปฏิบัติที่มีการรู้ลมหายใจในขณะที่มีการเคลื่อนไหวทุกๆ ก, กีิริยาพยายามให้มากในระหว่างวันให้ได้และทุกอาชีพเลทุกหน้าที่อะทุกหน้าที่ทุกอาชีพมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราแค่การมาปฏิบัติทมอย่างนี้ ทีนี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราจะเน้นเรื่องการนั่งกับการเดินใช่ไหม เ, เรื่องการนั่งการเดินแต่วันนี้จ ะ, อ, ะอันนี้คือกลับไปใช้ที่บ้านนะไอ้ที่พูดนี่นะเข้าใจไหมกลับไปใช้ที่บ้านนะที่พูด <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินกันหน่อยว่าลองเดินดูว่าออ เดินแล้วก็รู้ลมด้วยรู้รู้รู้กิริยาที่เดินด้วยมันจะเป็นยังไงอันนี้มีกิริยาเดียวนะคือกิริยาที่เราเดินแล้วก็แล้วก็รู้ลมด้วยรู้การเดินด้วยรู้ยืนรู้ลมรู้ยืนรู้ลมรู้ยกรู้ลมรู้ย่างรู้ลมรู้เหยียบรู้ลมรู้ก้าวซ้ายรู้ลมรู้ก้าวขวารู้ลมรู้ก้าว สารู้ลมรู้ก้าวขวารู้ลมรู้หยุดรู้ลมรู้หมุนรู้ลมรู้ก้าวซ้ายรู้ลมรู้ก้าวขวาเนี่ยรู้ลมด้วยรู้การยืนเคลื่อนไหวกิริยาด้วยแต่ในส่วนของการเดินนะว้าเราคนที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ตอนนี้ก็พยายามฟังแค่เสียงก็พอแล้วก็หาจัดที่ก็เดินอยู่ในบริเวณที่ตนได้ยินเสียงนั่นแหละให้ได้สักสิบก้าวเส้นทางที่เดินนะ แต่ถ้ามันเดินยาวๆได้ก็ดีเดินยาวๆได้ก็ดีเดินรู้ลมแล้วก็รู้กายรู้ลมรู้กายรู้ลมรู้กายรู้ลมรู้กายรู้อยู่อย่างนั้นน่ะตัวรู้ลมเป็นหลักแล้วก็รู้กายเดินไปรู้กายเดินไปรู้กิริยาเดินไปสามารถรู้กิริยาตั้งแต่ยืนยกย่างเหยียบคือรู้ละเอียดได้ก็รู้ ถ้ารู้ละเอียดไม่ได้รู้กีริยาเดียวใช่มก้ารู้เดินไปเรื่อยหรือรู้ทั้งกายรู้ลมเสร็จนะรู้ลมอยู่แล้วก็รู้กายที่เคลื่อนทั้งกายก็ได้เอาลมไปก่อนมีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจิญเลยทีนี้ก็สนัมนาธรรมรอบถุถ่าย นล้นหลังจากเดินแล้วเนี่ยการเดินการนั่งการควังทำการทั้งหมดนี้เร า, เ, าเราบำเพ็ญเราปฏิบัติกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตั้งขึ้นจริงๆแล้วในการปฏิบัติมันเป็นการประชุมลงขององค์ธรรมหลายประการนะ เป็นการประการประชุมลงของธรรมะอย่างหนึ่งด้วยการเข้าไปตั้งไว้มั่นเลยเนี่ยเรียกว่าสติพอเขาประชุมเราก็เข้าไปตั้งไว้เนี่ยรู้ลมหายใจสติเข้าไปตั้งไว้ระลึกเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นไม่กระสับกระสายตั้งไว้อย่างนี้เป็นการประชุมลงของสติพอสติก็ประชุมลงเสร็จ ต่อไปพอตั้งมั่นแล้วนะมันจะเป็นการเลือกเฟ้นลักษณะของจิตที่รู้เนี่ยมันจะเลือกเฟ้นมันไม่ใช่ว่ารู้ลมไปแบบซื่อบือ้อซื่อบือ้อรู้ลมแบบโง่โงไม่ใช่อย่างนั้นนะสังเกตว่าเมื่อเมื่อสติที่ระลึกเข้าไปถูลมเขาเขาตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะเลือกเฟ้น การเลือกเฟ้นในลักษณะของการเลือกเฟ็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันจะเขียพวกนิวรนออกไปจะเขีย่ยพวกอุปกิเลสออกไปเพื่อให้สตินั้นมันมันตั้งเข้าไปตั้งไว้เพื่อการรู้ลมหายใจอย่างแน่วแน่เพราะก็เลือกเฟ้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไป <c oughs> ต่อไปมันก็จะประคองลักษณะของการประคอง ประคองการระลึกและการเลือกเฟ้นนั้นให้ต่อเนื่องไปเนี่ยเรียกมีธรรมะตัวนี้ประชุมลงเขาเรียกวิริยะความเพียรพอเขาประคองการระลึกการเลือกเฟ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะทีนี้มันจะมันจะไม่รู้อย่างอื่นเกิดมันไม่ไม่เอาแล้วแต่มันจะมีตัวประชุมลงตัวหนึ่งที่มันอัศจรรย์ตัวนี้เป็นอัศจรรย์ของใจนะ คือมันจะเกิดอาการแผลซ่านไปแผลซ่านไปแผลซ่านรู้สึกเหมือนแผ่ที่กายแต่จริงๆมันแผ่ที่ใจตัวนี้แผ่ที่ใจถ้าเป็นปิติปิติที่เกิดจากกุศลเช่นเราไปทําบุญทําทานเราไปเจอไปพบไปเห็นอะไรแล้วมันเกิดอาการแบบรู้สึกแฮปปี้ Happy, แบบพิเศษพิเศษอ่ะท้างในมันก็เป็นปิติอย่างหนึง่ง แต่มันอาศัยกายแต่ว่าไอ้ตัวที่เราเข้าไปสติที่เราเข้าไปตั้งไว้และทำการเลือกเฟ้นรักคลองการระลึกและการเลือกเฟ้นนั้นต่อเนื่องไปมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันจะเป็นแต่เรื่องการแผ่ซ่านไปเป็นภารณาปิติเกิดขึ้นเขาประชุมลงในลักษณะของความแผ่ซ่านถ้าเราเฝ้ารู้จากตรงนี้มันก็จะแผ่จากตรงนี้แหละ แผลก็ไปลักษณะเหมือนแผลที่กายโดยจริงจริงมันเกิดขึ้นที่จิตแผลก็ไปแผลไปแผ่ไปทั้งกายมันก็แผลไปไปตจิตสติเข้าไปรู้ประคลองเลือกเฟ้นอ่ามันแผเข้าไปอย่างนี้เรื่อยแล้วมันจะมันจะระหับตัวมันลงมามีสภาวะตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าจะระหับขึ้นมาลักษณะเหมือนความสะบ จากการที่มันแผ่เข้าไปเนี่ยแล้วมันก็รหับเข้าไปข้างในเกิดเป็นความสบขึ้นมาเราเรียกกันติดติดว่าส บ, บุรับอันนี้เป็นสภาวะที่จะปรากฏจากการรู้ลมนะจะเกิดการสบุระับขึ้นมาก็ตัวนี้ก็จะประชุมลมความสบุระฮับที่ประชุมลงขึ้นมาในขณะที่เราเลึกประคองความประคองเลือกเว้นประคองแล้ว่อ สะบรับลงมาอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดการตั้งมั่นขึ้นมาเกิดการตั้งมั่นตั้งมั่นตัวนี้คือตั้งมั่นที่จิตถามาจิตตั้งมั่นยังไงตั้งมั่นที่ใจเนี่นะใจจะไปตั้งมั่นตัวอื่นไม่ได้เวลาก็ประชุมลงสุดท้ายตัวตัวตั้งมั่นตัวสาคัญคือตั้งมั่นที่ใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาลักษณะการประชุมลงของความตั้งมั่นก็คือว่าไม่กระสับกระสาย ไม่กระสับกระสายไม่วอกแวกไม่ดิดดิน้นซึ่งณขณะนั้นจิตจะเห็นได้ชักเห็นความไม่ดิดดิ้นของใจเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาพอะก็ตั้งมัน่นเสร็จแล้วมันจะหยุดนิ่งเลยนะต่อไปตัวหนึ่งที่จะประชุมลงอีกตัวคือคือการพิจารณา จะเห็นเลยสภาวะการเข้ามาเพื่อทําการพิจารณาองค์สภาวะธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นตัวพิจารณานี้เพื่อจะให้ความรู้รู้แล้วมันทําให้เกิดอะไรมันก็วางเฉยที่ที่มีคนพูดว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเนี่ยมาจากตัวนี้เป็นสภาวะสภาวะที่เกิดการพิจารณามเรียกเรกลงมาสภาวะการเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นในการที่จะเข้าไปรู้องค์ธรรมแล้วเก็บละ ประคองอันนี้ที่พูดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ปะั้งหมดนี่คืออะไรคือโพธชงเจ็ดคือการประชุมลงของโพชชงจากการรูล้ลมหายใจมันเป็นเป็นเป็นทภ า, าวะที่เรา มันจะไล่เรียงขึ้นมาแต่ต้องอาศัยการรู้ลมหายใจอย่างถูกวิธีที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในบางสภาวะเช่นในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่มันเกิดการเลือกเฟ้นในขณะในขณะที่มันรู้ลมอยู่ได้เนี่ยมันมันมีตัวองค์ทมตัวหนึ่งที่มันทำหน้าที่ในการเลือกเฟ้นใช่หรือไม่ใช่ วางป ล, ป, นนปล่อยไปอันนี้ปล่อยไปอันนี้ปล่อยไปอันนี้ปล่อยไปรู้ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือกเฟ้นเป็นธรรมวิทยะสำโพธิชมซึ่งน า, นาขณะนั้นติดรู้รู้ลมหายใจอยู่ต่อเนื่องนะเพราะสติก็เข้าไปตั้งไว้แล้วการเลือกเฟ้นอย่างนี้หลยยืนนี้ต่อไปพอพอมันทําอย่างนี้ได้มันมีฉันทะเข้าไปมันก็เกิดการ ประคองประคองการรู้ประคองการเลือกเฟ้นตัวประคองเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าความเพียรเพราะมันสร้างความต่อเนื่องนั้นวิริยะสามพุทจงมันประชุมลงตอนในลักษณะของการประคองไว้ประคองประคองการปฏิบัติไว้ทั้งหมดนี่มันก็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยนี่ยเป็นสามพุทธจงสัมพุจงประชุมลง ซึ่งเป็นทางแห่งวิชาและวิมุตต์อันนี้มันเป็นขั้นลาดับไปแต่โดยหน้าที่โดยกิจของเราทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลม <c oughs> รู้ลมตรงตรงที่นิมิตตอนนี้ที่นีน่นิมิตนิมิตนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไมใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนิมิตนี่ต้องเริ่มต้นใหม่นะต้องไปฟังไล่ไปฟังเทปฟังเสียงของหลังๆนู่นอะเออ อยมไควางให้เข้าใจเรื่องนิมิตให้ได้พอเข้าใจเรื่องนิมิตเสร็จแล้ววางรู้ไว้ถูกพอวางรู้ถูกเข้าใจเรื่องนิมิตวางรู้ถูกสิ น, นี้คลายตัวออกจากนิมิตไม่ให้จิตไปปักที่นิมิตไม่ให้จิตไปแนบอยู่กับลมเห็น ไ, ไหมมันก็จะทำให้เรารู้ลมที่นิมิตได้อย่างถูกต้องแ้่เมื่อใดเราเาเอาตัวรู้ไปปักไว้ที่นิมิต ไม่ถูกแล้วแต่แรกๆต้องปักใช่ไหมแรกๆนี่เราต้องปักไปก่อนปักไปที่นิมิตจนรู้จักแล้วนิมิตคือตรงนี้ปักไว้ที่ลมหายใจออกปักไปที่ลมหายใจเข้าจนเขาเรียกสั้นเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากนิมิตออกมาจากลมหายใจทั้งออกทั้งเข้าแค่รู้แค่ระลึกแค่รู้ลมหายใจที่นิมิต <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่เคยปักที่นิมิตไม่เคยปักที่ลมหายใจ บอกว่าออกมาจากนิมิตมันก็จะไม่เข้าใจออกมาจากลมหายใจมันก็จะไม่เข้าใจจะบอกว่าแค่รู้ลมหายใจแล้วมาหลับเลยแหละมันไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้พอบอกว่าแค่รู้ลมหายใจโดยไม่ต้องไปปักที่นิมิตไม่ต้องไปปักที่ลมหายใจไม่ต้องเอาจิตไปแนบไว้กับลมไม่ต้องเอาลมมาแนบไว้กับจิตเพียงแค่ระลึกและรู้ลมหายใจที่นิมิตนิมิตก็จะเป็นที่อาศัยในเวลาเราบอกว่า รู้ลมหายใจตอนลมหายใจมันมันเข้าที่มันรู้สึกได้ที่สัมผัสได้โดยอาศัยเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องเหมือนเหมือนงูมันเลื้อยบนบนขาบนหลังเท้าบนหลังมือนี่นะจริงๆมันมันรู้ตรงตรงไหนตรงโผฏฐพารมโผฏฐพะเคยได้ยินไหมฮะโผฏฐพะเคยได้ยินน่呐 เข้าใจไหม้เยเ ข, ข้าใจไหมขคตรแต่พระต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจใไม่ได้นี่เสียชาติเสียเชิงเสียเหลี่ยมมวยอาชีพ <c oughs> ตัวเรากับโลกเนี่ยมันท็กกันได้กี่ทางฮะ ได้กี่ทางห้ทางหกทางใช่ไหมแต่ว่าโดยโลกจริงๆนะห้าทางตามันมันติดต่อกับอะไรรูปหรือสีเห็นไหมหูกับเสียงอันนี้ไม่เป็นประเด็นใช่ไหมจมูกกับก okay. ลิ่นลิ้นกับรสอันนี้ไม่เป็นประเด็นใช่ไหมกายกับ โภทพมันแปลว่าอารมณ์ที่มาถูกต้องกายโภทพอารมณ์เป็นสิ่งที่ยากมากยากจริงๆเพราะอะไรเพราะตัวกายประสาทมันมีอยู่ทั่วร่างเข้าใจปะ่ะนี่เรานั่งอยู่เรารู้สึกว่าก้นของเราไปกระแทกอยู่กับอาสนะข้างล่าง ที่มันรู้สึกถึงการกระแทกนั้นคืออะไรนั่นนะคือโฟทาร์าร์มโฟทาร์อืมอย่างเนี่ยมือไปแตะนี่เห็นรู้ด้วยการเห็นไหมไม่รู้ได้การได้ยินไหมรู้ได้กลิ่นไหมรู้ได้จมูกไอ้รู้ได้รสด้วยสัมาัลิ้นรสไหม รู้ด้วยการคิดไหมรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยการสัมผัสการสัมผัสของอารมณ์ที่มาถูกต้องกายเรียกว่าโผับพารมอาและตัวกายปราศหรือกายปราทนี้มันมีอยู่ที่ไหนมั่งทั่วตัวถ้าเราดูอันเนี้ยตาอันนี้รูปดูกันใช่ไหม อย่างนี้เป็นจักขู่สัมผัสใช่มรู้รู้ในรูปนี้เป็นจักขูวิญญาณตารูปจักขูวิญญาณสามอย่างนี้เกิดขึ้นครบสมบูรณ์ทั่วกันทาให้เกิดการเห็นนั่นก็คือจักขู่สัมผัสนง หูเสียงรู้ในเสียงที่กระทบเรียกว่าจักุวิญญาณหูเสียงจักขุวิญญาณสามอย่างครบเรียกว่าฟังหรือโสตะสัมผัสอันนี้มันไม่ยากหรออันนี้กายศาสตทนี่มันเป็นยังไงล่ะทุกคนมันมีอยู่ทั่วทั้งภายนอกและภายใน บางทีที่ผนังลาาําไส้ของเรามันโดนกัดแทกแรงๆเรารู้สึกไหมรู้ตัวจะรู้สึกถึงปวดเอ้างในนั่นเป็นอะไรโหดทับพระมทีนี้ตามันรู้ได้ด้วยเห็นรูปทีนี้ไอ้นี่ไปกัดแทกที่ตาอุ้ยเจ็บมันรู้ได้ด้วยเลยรอา้อาวอ้า อันนี้เป็นกระแทกที่หูรู้ด้วยไรตาาลมเออไม่ใช่โศตัสัมผัสเหรอฮะเพราะว่ามันจะแทกที่ร่งกัยเออเออริยวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นอะไรโพธพาลมทีนี้ <c oughs> ลม เป็นรูปใช่ไหมลมเป็นรูปใช่ไหมเคลื่อนไหวในช่องจมูกช่องจมูกเป็นอะไรเป็นกายใช่ไหมเออมันกระทบตรงนี้เรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกที่ลมมันมากระทบตรงนี้รู้ตรงนี้ก็คือโผทับพารมเฝ้ารู้โผทับพารมของการกระทบ ของลมที่กระทบกับตรงนิมิตฝ้ารู้ไปเรื่อยที่ลมมันไหลเอื่อยจนชุดลมออกจนชุดลมเข้าตรงนั้นเรียกว่ารู้ลมในความหมายนี้มันเลยไม่ต้องไปแนบกับลมไม่ต้องไปแนบกับนิมิตใช่ไหมรู้ตรงหัวทับพารม ของลมที่คูดเข้าคลูดออกทางช่องจมูกที่มันเกิดเป็นกายสัมผัสได้ตรงนั้นรู้ตามความความยาวของเวลาที่มันนานอ่ะอันนี้เรียกว่าทีขังว่าอัจสันโตทีรังอัจฉสามีติประชานาตี ทีขังวาปัสสสันโตทีคังปัสสามีติประชาาติถ้ารู้อย่างนี้อย่างต่อนะทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้สามารถแยกตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยไม่เข้าไม่ทำความเข้าใจในสภาวะที่ชื่อว่านิมิตสภาวะที่ชื่อว่าลมเข้าสภาวะที่ชื่อว่าลมออกเราจะไม่สามารถชัดเจนกับการรู้ลมเพราะถ้าพอเรารู้ปั๊บมันก็เหมือนที่เขาสอนกัน มันจะเป็นอาหารไม่ได้พอทาการปั๊บเอากำหนดลมหายใจเข้าจิตจิดอยู่กับการกำหนดมันเหมือนกับยืนหันหน้าเข้าหากำแพงและเอามือลูบกำแพงลูบไปเรื่อยๆตันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตันอยู่ตรงนั้น มันจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเปิดประตูแล้วก็เดินออกไปในโล ก, กว่างหรอกมึงมันก็เดินหน้าเข้าหากำแพงแล้วก็มือรูปแค่นั้นตันอยู่ตรงนั้นพูดอะไรอะไรก็ตันอยู่ตรงนั้นอะไรก็จะประชุมลงไม่ได้ไอตัวที่จะประชุมลงที่พูดแต่ให้ความเมื่อกี้นะ่ะประชุมลงไม่ได้อินทรีย์ประชุมลงไม่ได้พาระประชุมลงไม่ได้อิทธิบาทประชุมลงไม่ได้ ประชุมลงไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่สติปัฏฐานการธรรมานาปานสติจะต้องเป็นอาณาปานสติที่ถูกต้องเพื่อให้สติปัฏฐานสี่ปรากฏสถานติสติปัฏฐานสี่ปรากฏต่อเนื่องประชุมแล้วทมบุญแล้วมันก็จะทำให้โพชฌงปรากฏไอ้นี่นี่ความย่อนะเมื่อโพชฌงปรากฏวิชาและวิมุตติปรากฏแต่ความภาคขยายของมันเนี่ย เมื่อดุงอาณาปานาสีิสิ่งที่จะประชุมลงกันเนี่ยสติปัฏฐานสี่ประชุมเกิดประชุมแล้วเนี่ยอิทิบาทอินซีพละโพุทชงมักเพราะฉะนั้นในอาณาปานาสติถ้าตั้งต้นที่ถูกต้องตามที่เรา ไ, ได้ภาวนาได้ทากันอยู่ทำให้มันชัดทั้งส่วนที่เป็นลิมิตทั้งส่วนที่เป็นลมหายใจออกลมหายใจเข้า และก็สภาวะที่จิตผู้รู้ที่ให้เขาเกิดขึ้นการวางจิตการปรับจิตไม่ให้ไปหมกมุ่นปักที่นิมิตไม่ให้เป็นแนบอยู่กับลมให้เขารู้อย่างคล่องตัวอย่างสบายสบายสบายมันจะจึงเป็นสติปัฏฐานได้เพราะรู้อย่างนี้มันจะไม่มีนิมิตเป็นฐานมันจะไม่มีลมเป็นฐานมันจะมีอุเบกขาเป็นฐานรู้มีอุเบกขาเป็นฐาน อาศัยนิมิตเพื่อรู้ลมหายใจออกเพื่อรู้ลมหายใจกับแล้วลมหายใจนี่ยึดไม่ได้เป็นสิ่งที่แค่รู้เท่านั้นแค่ถูกรู้เท่านั้นเออแค่ถูกรู้เท่านั้นแค่ถูกรู้เท่านั้นแค่ถูกรู้เท่านั้นให้พวกเราพูดอย่างนี้พวกเราก็เข้าใจแหละแต่ปัญหาแต่คนเ ถ, ถ้าใหม่ใหม่มานี่ เข้าใจได้ได้ไหมเข้าใจยาได้ไหมก็ยากมันต้องชัดเจนมากเลยเรื่องนี้แต hm. really, ่ถ้ามันถูกต้องนะมันก็จะถูกตลอดยาวก็มันแหละอย่างเมื่อเช้ามีมาคนหนึ่งอ๋อแค่แค่รู้พอเขารู้ถูกปั๊บมันก็เกินความสงสัยทำไมพอเขารู้แล้วลมเขา มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันก็จะมาถามพอดีเราก็ตอบให้มันมันก็ก็ถูกต้องอยู่แล้วสั้นโตบันนิโตอเซจนาโกสั้นโตบันนิโตความสงบเกิดขึ้นทันทีเมื่อรู้ลมอย่างถูกต้องและความสงบนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความปราณีตปราณีตคืออะไรปราณีตคือลมหายใจจะละเอียดและก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงอย่างมีสติไม่อึดอัดกายก็จะนิ่ง แต่ถ้ากายยังกระสับกระส่ายไม่มีวันลมจะจะเกิดความปราณีตหรือความโศกขึ้นมาได้กายมันต้องนิ่งก่อนพอกายมันนิ่งลมมันก็จะใ้จิตมันก็จะเข้าสู่ความโศบลมก็จะละเอียดก็เข้าสู่ความปราณีตแล้วก็จะสั้นลงสั้นลงมีสติรู้ความสั้นลงของลมความอาเซจนันนโกเรียกว่าความแช่มชื่นมัน มันเป็นเช่มชื่นด้วยอานาจของฉันทะที่มีอยู่ในการที่น้อมจิตเข้าไปเพื่อการรู้ลมนั้นเป็นอย่างธรรมชาติสกอบปราณีตเชื่มชื่นแล้วก็สภาพของจิตที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยเขาะ ส, ะสุขะวิหาโรคือมันจะอยู่อย่างเป็นสุขในขณะในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นพอมันกระสับกระสายออกไปหน่อยด้วยอานาจของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนิวรหรืออุปกิเลศ ความไม่สงบก็ปรากฏพอความไม่สหบปรากฏความปราณีตก็หายไปพอความปราณีตหายไปความเชื่อมชื่นก็หายไปกายก็จะกระสกรสายจิตก็จะตรับกระสับกระสายวิวร อ, อุปกิเลสก็จะเกิดขึ้นนี่เราก็จะต้องอาศัยอะไรเราก็อาศัยความเพียรอย่างต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องนั้นมันไม่ได้ไหมายความว่าสิบนาทียี่สิบนาทีนะ จิตเราจะต้องมีประสบการณ์กับความเพียรที่มันต่อเนื่องติดต่อปีนี้ก็เลยตั้งใจที่จะเปิด้มันยาวๆบ่อยๆนะเหนื่อยหน่อยเจ้าหน้าที่ <c oughs> จะเปิดต่อเนื่องนี่เปิดบ่อยๆกลางคืนเปิดยาวๆเราจะได้ปฏิบัติข้ามวันข้ามคืนไปอยู่บ้านเนี่ยบางทีเช้าขึ้นมาต้องตื่นแต่เช้าแล้วแหกกี้ตามาก็ มามั่งแมวมั่งหมูมั่งคนมั่งคนงานมั่งต้องไปจ่ายตลาดต้องไปนู่นไปนี่อะไรก็ทางโอ้มันพูดไปไปหมดอพอเปิดที่วัดนั้นปลดปลอกความเป็นตัวตนปอกออกไปอาย่บ้านนัเป็นเจ้านายมั่งเป็นพ่อมั่งเป็นภรรยามั่งเป็นลูกพี่มั่งเป็นลูกน้องมั่งเป็นอะไรปัญญามั่งมัเยอะอเยอะเป็นโดยเฉพาะอาชีพอาชีพ คุณยายคุณย่าเนี่ยอปกดหวัวที่สุดคุณปู่คุณตาเลยอาชีพนี้อาชีพนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเออพอมาอยู่วัดปฏิบัติต่อเนื่องถอดออกหมดเลยปลดออกให้หมดเลยเหลือแค่รูปแค่น้ำแค่กายแค่ใจแล้วก็เฝ้าประคองการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่อง ปฏิบัติกันข้ามวันข้ามคืนหลับนอนกลางคืนนี่ให้มันได้พักผ่อนแค่สามชัวงงช่วโมงสี่ชั่วโมงพอแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อใดปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ๊บเหมือนโคถึก <c oughs> รู้สึกตัวตื่นขึ้ น, นมาเมื่อใดแล้วลุกทันทีเลยล้างหน้าแปรงฟันเตรียมตัวให้มันรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่ใช่ปู่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกไม่ใช่แม่แค่กายแค่ใจใช่ไหมมันเตรียมตัวอะไรนักหนาเออ จุดต่างๆก็มีสีนควบคุมอยู่ก็เอาเอาอกน้ำล้างหน้าแปลองบันหน่อยหนึ่งเพื่อกันตัวเองหมินไม่ใช่คนอื่นเหมินหรอกเพราะว่ามันใส่หน้ากาศก็เอาแล้วเดินแล้วทรัพย์ถินสมบัติเพชรนินดินดาเพชรหยองทองของมีค่าไคะไก็ไม่ต้องพกพามาห <c oughs> ลดหมดอย่างนี้เ้าจะสะดวกละปาลิพภ่ออกไปปฏิบัติข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องสนว่าเราจะเป็นหนุ่มสาวหรือแก่เท่า เอามันจริงจังก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้มันจริงจังถ้าไม่งั้นมันไม่ได้หรอกนี่เราเราเดือนหนึ่งเรามาครั้งหนึ่งใช่ไหมมันเหมือนกับเอาขันแย่ไปนอกบ้านเพื่อรับน้ําฝนสี่ห้าหยดน้ําฝนตรงเนี้เราเอารับมาสี่ห้หยดแปะแปะแปะปลงในขันตั้งไว้บนตู้ผ่านไปเดือนหนึ่งเออเก็บน้ำนํำมาไม่ดูของเดิมแห้งหมดแล้ว แห้งไม่แห้งเปล่านะขี้ขุนเกลือด้วย <c oughs> มันเดือนหนึ่งไม่ไมพอมันเราต้องต่อยอดการปฏิบัติด้วยการใช้ชีวิตประจําวันให้ได้นะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าอยู่กับอยู่กับลมและรู้กิริยาให้ได้แต่ว่าไอตัวที่มันจะทําให้เรารู้ได้คือความตั้งใจให้เชื่อเถอะความตั้งใจคือปฐมมจิตที่ดีที่สุด ทำไมล่ะเราได้ยินครูสอนโรงเรียนสมัยก่อนเราเข้าโรงเรียนใหม่ๆครูยังไม่รู้เลยความตั้งใจคืออะไรแต่ครูยังสอนเราว่าตั้งใจหน่อยเธอใช่ไหมละครูไม่รู้เลยเขียนในกระดานเอานักเรียนตั้งใจดูหน่อยครูยังไม่รู้เลยตั้งใจดูเป็นยังไงอธิบายให้เราฟังไม่ได้ด้วยนะว่าตั้งใจดูต้องเป็นยังไงแต่ครูยังพูดว่าตั้งใจดูหน่อยตั้งใจฟังหน่อย แล้การตั้งใจตั้งใจตั้งใจนี่แหละก็คือการอะไรเนะอืมตั้งสติไงต้งอะไคือตั้งสติคือตั้งใจนี่คือตั้งสติเออคือตั้งสติตั้งมันบ่อยๆให้รู้ตัวก็ก่อนแล้วก็เนี่ยจะกินน้ํากินน้ําเนี่ยดื่มน้ําเนี่ยดื่มได้ดื่มน้ําได้ด้วยรู้ลมได้ด้วย จะเดินไปห้องน้ำตั้งใจหน่อยพอ น, นอนรู้สึกตัวขึ้นมาวันนี้เราจะรู้เราจะรู้ลมเราเราจะรู้ลมไปด้วยดูกิริยารู้กิริยาต่างๆไปในชีวิตประจำด้วยจะลุกก็รู้ลมก็ลุกเมือน ก, กันลองลุกนี่นั่งฟังเนี่ยเรา ก, ก็แท้จริงเราทำเรื่องราวหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันเราทำได้อำนาจของกิเลสนะ กิเลสมันบ่มเรามาจนเราทำตามอานาจของมันได้ทุกอย่างเออไอ้นี่ขี้บุรีไอ้นี่จับขวดรินเหล้าไม่ผิดแก้วด้วยนะไอ้ขี้บุรียังคี้ได้อยู่นะจับขวดมั น, ย, นะนยังได้อยู่นะรินเหล้ายังได้อยู่นะลงแก้วด้วยนะแล้วก็ในปริมาณพอดีที่ตนเองจะดื่มด้วยอ่ามือนี้เอื้อมไปจะจับแก้วปากบุรีใส่ปาก ออกแรงดูดบุหรีได้ด้วยจับแก้วได้ด้วยสูดบุหรีเข้าปากพ่นบุหรีพ่นควันออกแล้วก็จิบเล่าได้มันทำได้เยอะแยะมากอ่ะพิเรดมันสอนเรามาบ่นพอกเรามาทำมันจนเป็นเรื่องงานพอเราจะให้มันเอาสติสัมปชัญญะทำให้มันเป็นธรรมะขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามมากเพื่อไปชนะมันให้ได้ใช่ไหมเออ แล้วมันถ้ามันทากันกระหม่อมกันแหง้งงงงงเงๆมันไม่ได้หรอกเพราะเขายึดครองเราอยู่ถ้าเราไม่เอาจริงอ่ะแล้วเราก็จะตายไปกับมันแพ้มันไปอีกชาติกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้อีกแลเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้ไปเกิดเป็นอะไรชาติหน้าเกิดเป็นอะไรนี่แทบไม่ได้ืออต้องจริงจังมันระยะเวลานี้ สองปีก็จะเปิดถีขึ้นเปิดถีขึ้นไอ้คนได้ไม่มากก็แค่นี้ก็เอาแค่ที่แต่จะไปห่วงคนอื่นเลยเอาตัวเองให้รอดเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีได้เข้ามาปฏิบัติแล้วก็รอบนี้ก็จะออนไลน์ออนไลน์ในส่วนนําปฏิบัตินะบรรยายและก็นําปฏิบัติเผื่อว้ ได้คนสองคนที่เขาฟังอยู่ก็ยังได้ประโยชน์บางคนมาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง